เวลานี้พุทธทบริษัทเรามีทั่วโรคกันนะไม่มีเฉพาะประเทศไทยอย่าเข้าใจว่าศาสนาพุทธเป็นของคนไทยไม่ใช่นะศาสนาพุทธเป็นจุดเป็นจุดเริ่มต้นประเทศอื่นก็มีอยู่หรอกแต่ว่าก็าความเผยแผ่หรือความเจริญทางด้านอันนี้ไม่สู้ประเทศไทยประเทศไทยนี้เรารู้สึกว่าจะขยายไปได้จุดเลยนะ เวลานี้ทางยุโรปตะวันตกเขามีความสนใจในด้านพุทธศาสนามากการทบุญก็มีอยู่แต่ว่าส่วนน้อยแต่ว่าเขาทําเป็นลักษณะของคนเป็นมูนิธิเป็นการส่งเสริม น, นั้นมากกว่าแต่ว่าการทบุญเยอะๆอย่างพวกเราคงคงไม่มีแล้วมีน้อยแต่ก็เริ่มแล้วแหละเริ่มมีแล้วเช่นตุรกีจะมี ประมาณร้อยสองร้อยคนนะใจบาดก็เยอะเหมือนกันเช่นที่ออสเตรเลียก็มีอังกฤษก็มีอังกฤษเป็นพันนะมั้งเดินบิทบาทวันนั้นของอาจารย์สมัยโตอาจารย์สมัยโตก็หนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยคนแต่เวลานานเหมือนกันเขมีความสนใจในด้านของพุทธศาสนามากกว่าประเทศไทยนะประเทศไทยเราสนใจเรื่องอะไรก็ไม่ทราบ เรื่องเครื่องรางของของังสิ่งสรัพย์ผิดอภินิหารอออะไรแต่อะไรเยอะแยะมากมายแต่ภายหลังเขาไม่มีนะต่อน้ํามนตพ่นน้ำหมากก็ไม่มีประเทศลาวมีประเทศไทยเรามีทุกอย่างอืมตอนนี้อาจารย์เบียร์กำลังอรวาสชีวิตของพวกเราชาวไทยพุทธเริ่มต้นตั้งแต่วันพระบุรุษ พ่อแม่ปู่ย่าตายายพระมหากษัตริย์องแรกจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นพุทธศาสน์ถึงจะมีบุคคลที่มีความรู้ความฉลาดที่มากกว่าเป็นยุโรปตะวันตกจะมาให้ท่านไปนับถือไปเข้าศาสนาโน้นศาสนานี้กษัตริย์มือไัยเป็นบุคคลที่มีปัญญาไม่ได้ไปขึ้นศาสนาไหนเขาจะมาชาราพั์ให้ทุกอย่างเขาไม่ขึ้น นะเราสังเกตไหมเมืองขึ้นกับไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครมีประเทศเดียวในโลกที่ไม่ได้เป็นขึ้นเมืองไปขึ้นกับใครขึ้นกับตัวเองสมกับว่าคําหนึ่งพุทธเจ้าว่าอัตตหิอัตนโนนาโถตนแรเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้หวังจะไปพึ่งฝรั่งหรือพึ่งยุโรปพึ่งอะไรก็แล้วแต่ไม่มีนั่นคือคําสอนที่พุทธเจ้าที่ พระมหากษัตชทัตของพวกเราเคารพนักถือโดยเฉพาะพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านมีความเคารพในพระสงฆ์มากโดย่ฉพาะราชการที่เก้าเพราะเราอยู่ในราชการที่เก้าเนาะราชการที่หนึ่งสองสามสี่ห้าถึงเก้าเราต้อถึงเก้าเรารู้ว่าผลงานที่พระองค์เสด็จที่พระองค์ทําให้กับประชากรของท่านหรือประสบภัยก่ของท่าน ท, นทั่วประเทศเนสังเกตไหม โดยเฉพาะพระสงฆ์ในหลวงหล่อเ้าท่านไปหมดในป่าในเขาในถ้าป่าไปหาพระสงฆ์สนทนาพระใสครั้หนึ่งที่อาตมาไปอยู่ที่หงอหินขอตัวเกตในหลวงกับพระราชนิท่านไปส่วนตัวของท่านไม่ไี่บอกให้ราชกายคือไม่ได้ไปส่วนราชการไปส่วนตัวแค่จะนั่งรถไปให้รู้ว่าในหลวงก็มาในหลวงมาในหลวงมา ก็เข้าไปอาจารย์การหรว่าเป็นประธานในวัดก็ไปองค์สององเวลาจะนีกับในหลวงทั้นถอดรองเท้าแต่จะหน้าโบสถ์จะเดินทาก็าเข้าไปกราบและมีความเคารพในในพระสงฆ์มากท่านเชื่อมั่นในในในพระสงฆ์จะกราบสนธนาธรรม แต่ถ้าไปราะการการลองเท้าก็ไม่ถอดถ้าไปส่วนตัวพระองค์ถอดทิ้งลองเท้าไม่ได้สนใจหรอกก็ไปการาบนี่คือบุคคลที่เขามีเขามีคุณสมบัติเขาก็มีคุณสมบัติทุกๆุกสถานที่ฉะนั้นจะบอกว่าว า, าลมีคนมัมนไม่เหมือนมันจุดเหมือนกันได้ยังไงก็เพราะทําไม่เหมือนกันออืบางคน ท, ทั้งที่เราเกิดมาพ่อเดียวกันแม่เดียวกันรูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนกันกิริยามารยาทก็ไม่เหมือนกันการพูดการจาก็ไม่เหมือนกันบ า, า, ญญานนนนงคนละเอียดบางคนหยาบสังเกตไหมทั้งที่พ่อเดียวกันแม่เดียวกันแต่นั้นคนในประเทศไทยเราก็เหมือนกันจะให้มันเหมือนกันคงคงไม่ได้แต่ในพระมหากษัตริย์แต่าาแตและพระองค์ก็เหมือนกันมององค์มาท่านอืมท่านก็ไปอยึดแบบอยู่งเงี้ยพระองค์มองเห็นประชากรของท่าน เราออกแตกตกไม่มีใครเกินในหลวงหลอเก่านะในโลกใบนี้พระหากษัตริย์ทั่วโลกอ่ะไม่เกินเพราะ โ, งโกงเนาะนี่คือไ ม, ม่ไม่ได้กลัวตายที่ไหนมีสมัยก่อนคอมมิวนิเตอ์อะไรกันแล้วถ้าพราะองค์ก็เสด็จไปหมดไม่มีปัญหาอะไรนั่นแหละไม่มีน้ําหาน้ำให้ไม่มีไฟหาไฟให้ไม่มีทางหาทางให้ถนนหนทางหรือน้ําไหนไฟทุกอย่างจเจริญไปทั่วประเทศเราออกแตกตก นั่นคือสายตาของพระองค์ท่านผู้มีบารมีทำอะไรมันก็ดีไป ห, หมดแต่ถ้าก่อนวลมองทุกส่วนนะในประเทศนี้เมื่อก่อนเราย้อนไปตะค่ายหกสิบปีก่อนทางอีสานในทางภาคเหนือมีความจนความลมบากพวกเหลี่ยงพวกแม้พวกอะไรก็แต่เยอะแยะเดี๋ยนี้ไปดูสิมันต่างกันเยอะเลย ว่าประเทศไทยเราจนที่สุวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแภาคอีสานเนเราไปดูประเทศอื่นโอ้ประเทศเราเนั้นไม่ได้จนเลยนี่คือพระ อ, องค์ท่านวางวางลากฐานวางโปรแกรมเอาไว้สต่นัตนาพุทธเป็นศาสนาหนึ่งเดียวในโลกเมื่อประมาณห้าปีกิจกปีก่อนเขาประชุมกันที่เจนีวาประเทศสวิต รวมศาสนามีกี่ศาสนามารวมกันประชุมกันลงกรมเห็นว่าศาสนาไหนที่จะนําโลกนี้สันติสุขได้พวกนักศาสนาทั้งหลายเขาลงกรมเห็นแล้วว่าศาสนาคิดอิสลามฮินดูจิะอะไรกันแล้วแต่เขาเขาไม่ได้เห็นกันเมียก็นั่นคือศาสนาเพราะนั้นมีจะไปไปสงครามศาสนาอิสลามก็ทะเลทะเลาะกันกับอิสลามพุตก็ทะเลาะไอจิตก็ทะเลาะกันกับจิดแต่ศาสนาพุธ ไม่ทะเลาะกับใครแตกไหมเขาลงความเห็นให้ลงวันศาสนาพุทธเป็นศาสนาพุทธเท่านั้นศาสนาเดียวในโลกนี้จะนําโลกนี้สันติสุขได้เพราะศาสนาพุทธไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเมตตาธรรมเป็นเครื่องคําจุนระหว่างกันอะไกันเขาจะลงความเห็นว่าให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหนึ่งเดียวในโลก ที่จะนําโลกนี้ให้สันติสุขได้แค่เรามีสี่ห้าเหมือนกันทุกคนลราโ อ, โอ้บ้านเมือนงนี้สงบนะเนี่ยแต่มันสู้กิเลสไม่ได้เห็นไหมจะกําลังฆ่ากันในะปัจจุบันนี้แต่เรามองดูด้วยสายตาเห็นทางสื่อปัจจุบันนี้สื่อมั็นไวลูกระเบิดลงตรงไหนถนนหนทางบ้านที่อยู่ที่อาศัยพูดเท่าคนเกเรเด็กเล็กแปลงอะไรร่วมร่วมหายตายกันไม่ใช่น้อยนะ บ้านเมืองพี่ในยพี่นาดว่านั่นแหละคืออำนาจของกิเลสของคนเพราะความอยากเพราะความโลภไม่รู้จักทิ้นสุดแตศาสนาพุทธทีม่มียองลอ ง, ลอ ง, ล, องลองประวัติแต่ก็ยังไม่มีศาสนาพุทธ ย, ยกพวกตีกันเพราะอะไรสีลที่ว่าสี่งหนึ่งสิข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าแค่นี้ก็สมบูรณ์มันก็มีความสุขแล้โลกใบนี้แต่นั้นแล้วพวกเราทุกคนนะการทํางานทุกคนนะ่ะ เดี๋ยวว่าทํางานนี่ถ้ามองอีกกว่าหนึ่งท่าเราต้องมันต้องกินมันต้องใช้ใช่ไหมทางานเพื่ออยู่และกินเพื่ออยู่ก็คือบ้านกินก็คืออาหารทุกคนมีอยู่มีกินไม่แปลกบ้านทุกคนก็มีบ้านรถทุกคนก็มีรถไม่แปลกหาหาแทนหาหาทันกันได้เหมือนกับความรู้ความฉลาดเรียนกันได้รู้กันได้การพัฒนาตัวเองนี่แหละคือหลักสาคัญ ฉะนั้นเราหาทั้งโลกไปเนี่ยก็มาเพื่ออยู่และกินไม่ได้วิเศษวิสุทอะไรเลยแค่อยู่กินพอโทษทีตัดในป่าเนี่ยมันตัวใหญ่กว่าเราเช้ามา้าวัวควายปูป่านี่ยมันตัวใหญ่กว่าเรามันไม่ได้มีอะไรที่จะไปยึดไว้เป็นของกูของมึงค้ากินไปวันวันต่อวันวันต่อวันแต่มาชีวิตของคนเราเอาสะสมมีหนึ่งก็อยากได้สองมีสองก็อยากได้สามมีสามก็อยากได้สี่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอสังเกตไหม อย่าเป็นทเกตคนอื่นนะสังเกตตัวเองผมโลภเยคำว่าโลภมันมน้องปชามันอ้า่งับมันอ้าไว้ไหลเท่าไหร่เขไปก็มาแะไลเท่าไหร่มืก่กาทะเลนี่นะฝนตกกี่ร้อกี่พันครั้งฝนโลภ ก, กี่ร้อยกี่พันา ก, ากี่ร้อกี่หายล้านปีไม่เคยเต็มกิเลสของคนก็เหมือนกันกี่เท่าไหร่ก็ไม่พอองถามตัวเองสิพอหรือยัง คำว่าพ อ, อนี่ยากมากมากเลยเท่าไหร่ก็ไม่พอในชีวิตของพวกเราทุกคนนะเรามาจากไหนเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดมาแล้วเกิดมาจากไหนเดี๋ยวอยู่จะเอาอะไรเราเคยถามตัวเองไหมนี่ของกูนี่ของกู น, งกนี่ลูกกูสามีกูปัญญากูรั้วสมบัติของกูจริงเหรอดูให้ดีนะถ้าดูอย่างพระติจาา้าว่าตัวกูก็ยังไม่ใช่ของกูเลย มันจะเจ็บมันจะป่วยมันจะไข้มันจะเป็นใครบางที่ไม่มีโรคมีไหมใครบ้างไม่เคยป่วยมีไหมของกูไหมแล้วตัวกู ก, ก็ห้ามไลยไม่ให้ป่วยไม่ให้เก็บไม่ให้ไข้พ่อแม่กูไม่ให้ตายสามีกูปัญญากูลูกกูไม่ให้ตายมันปิดเป็ น, ปนไปได้มพระพุทธเจ้าว่าไม่มีจิตเรามาไม่รู้มาจากไหนที่ทางพุทธศาสนากรรมกรรมเป็นที่มา สังเกตไม่เกิดพ่อเดียวกันรูปร่างหน้าตาแม็ดไม่เดียวกันรูปร่างหน้าตากิริยามารยาทเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างที่คนที่การขาเป๋ขาว้อยหูหนาตาโตทั้งทั้งที่เป็นพ่อเดียวกันแม่เดียวกันมันเป็นพ่ออะไรถ้าเรียกว่ากรรมกรรมมันจำแนกเชื่อไหมล่ะเชื่อกรรมแต่ในโลกใบนี้ใครเอาอะไรไปด้วยพระธานาธิบดีหรือในกษัตริย์ทุกพระองค์ในโลกใบนี้มีจี่กี่นฮะ ต้องแล้วแถวอาหลับไปดูที่เอาทองหุ้มตัวเป็นทั้งทองเลยเวลาตายไปแล้วกระดูกเแม้แต่กระดูกกระพองแต่เนื้อหนังมันหายไปไหนวะเนะี่ยมันไม่มีอะไรเอาไปกินรินโลกใบนีม้มีอะไรเอาเรามาอาศัยอยู่เมือนก็เรามาเช่าบ้านอยู่เช่าโรงแรมอยู่อยู่ไปอยู่มา น, นี้ก็บ้านเป็นของเราไม่ใช่ พอถึงการเวลาก็ไปฉนะัสังขารร่างกายก็เหมือนกันเมือนกับเช่าบ้านอยู่พอถึงเวลาพบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีมันก็เราจะแบกโรคไงอะไรก็กกูเก่งทุกอย่างดีทุกอย่างแข่งทุกอย่างพอหกสิบเจ็ดสิบตอนนี้จะเรียรู้แล้วจะรู้ตัวแล้วว่าเป็นอะไรอืมนี่คือสังขารนะสังขารร่างกายก็นี้มันได้ไม่เกินร้อยปีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาก็อยู่กินเฉยแล้วก็ตายจากสิ่งเหล่านั้นไปเต้นเราจะเห็น ที่เง่ายๆที่ผ่านมาในหลวงหล่อเก้าท่านจากไปท่านเอาอะไรไปด้วยนี่แหละท่านทั้งหลายพวกเราก็เหมือนกันจะเอาอะไรไปบ้านหลังนี้ที่แปลงนี้เงินก้อนนี้หรือสามีหรือพัญญาสมาเคยเห็นว่าขนาดสามีป่วยพัญญามันยังไม่ดูเลยและพัญญาป่วยสามีก็ยังไม่ค่อยสนใจเลยปล่อยให้มันตายตายไปเห่นไหม อยู่ด้วยกันนานๆนนนมันเบื่อกันนะหรือใครไม่เบื่อมีไหมใครไม่ดาาม่าสามีมีไหมทุกคนน่ะเหมือนกันหมดเพราะนั้นเราเกิดมาไม่มีอะไรมามาตัวเปล่าเจ้าเกิดมามีอะไรนะเกิดมามกับเจ้ามาตัวเปล่านะไม่จะฟาอ้ออะไรถึงเข้าไปก็เหมือนกันก็ไปตัวเปล่าลยี่แหละ เงินทองเข้าของที่ว่าของกูของกูสามีกูปัญญากูลูกกูลูกมันโตแล้วมัอยู่บ้านมไหมอยู่กับบ้านมันอยู่กับแม่ไหมแต่ขนาดเลือกมามันยังไม่ค่อยมาเลยขนาดพ่อป่วยแม่ป่วยมันยังไม่ไปมาดูเลยตอนแต่ข่าวว่าพ่อแม่ไปยังไงบ้างตายอยังขนาดนึนงนั <c> ่ <oughs> นแหละคือความจริงนะคือสัจธรรมตัวนี้คือสัจธรร ม, รคครรมนะโยมไม่ใช่ของเล่นของจริงเนี่ยไม่ใช่อัตมาพูดนะพระพุทธเจ้า พ, พาพูด กูบายจารพาพูดชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารลองถามตัวเองสิในหนังกัมพาฝฟืนเดียวห่อหุ้มของปฏิกุูอยู่เนี่ยในถุงหนังมีอะไรบ้างแหกที่แหกหนังออกสินะเป็นของปฏิกุูทั้งนั้นเลยอย่เดี๋ยวเดีวโยมจะไปหลงอะไรกับตัวนี้ท่านบอกให้เอาตัว น, นี้ทำประโยชน์มันกรเลือยังไม่ผุยังไม่ฟังภายไปทาไปข้ามไปหรือหาไป แต่มันปลูมันพังเมื่อจมน้ำทังการร่างกายพอมันเจมรัชการเขาหกสิบเขาก็เสียแล้วเจ็ดสิตก็ประคองตัวเองแต่ผลสุดท้ายก็ได้อะไรต้องถามตัวเองที่เอาอะไรโอ้ยลูกกูแสนรักกันโอ้ยลูกกูลูกกูดีทั้งนั้นเลยแต่มันลันแปมันอยู่กับเราไหมล่ะตองถามดูสิแต่ขนาดเรียกว่าบ้านมันเดียวไม่ยอมมาเลยงานเยอะม่มากเหมืนกัเราเนี่ย จะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ทีก็โอ้แสนจะลําบากใช่ไหมไม่ค่อยากจะไปงานนี่แะคือความจริงนั้นในหลวงท่านทํางานมีเสาทิษไม่ไม่มีแต่พวกเรามีไม่มีคนที่เขาสร้างบา ร, รมีไม่มีหลวันเวลาที่จะว่างเขาทาทุกวนันทุกวนันแนั้นพวกเราก็เหมือนกันทุกคนนะเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกการกระทําได้ โชคดีจริงๆที่เรามาเจอคําสอนของุทธศาสิท์เพราเราจริงๆที่เราเจอพระมหากษัตริย์เป็นผู้นําของประเทศให้เราอยู่ในดินแดนตรงนี้ดินแดนนี้เป็นดินแดนให้ความสงบโลกวันนี้ไปหาอะไรที่ว่าดีๆประเทศไหนหดีไปคนไหนที่ เ, เบื่อประเทศไทยว่าประเทศไทยงโง่ๆอย่างงั้นงโง่อย่างนี้ไปอยู่ประเทศเนี้ไปเถอะเชิญเถอะรับรองว่ามันก็ไปตกนรกอนะ อยู่บ้านเรานี่แสนจะมีความสุขจะกินเวลาไหนจะนอนเวลาไหนไปไหนมาไหนไม่มีอันตรายมันส ง, งบสุขเห็นไหในเวลานี้เห็เนหไหมสงครามอะไรจะเกิดสงครามรั่รข้าที่สากําลังก่อบอดปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นกับทั่วโลกแค่โควิดที่ผ่านมา2องามปีที่ผ่านมานะตายกันไม่ใช่น้อยนะแต่นั้นในนี้คือแผนของมนุษย์หรือของคนที่มีวามโลก ไม่รู้จากคาว่าพอฉะนั้นพวกเราเหมือนกันนะให้รู้ตัวเองบ้างนะว่าจะเอาอะไรถามตัวเองที่เจ้าเกิดมามีอะไรมากับเจ้าใจมัวมารูปลาบทําบาปใหญ่มาตัวเปล่าแล้วจะฟ้องเอาอะไรเจ้าก็จะไปตัวเปล่ามันเจ้ามาเห็นไหมลูกกูหลานกูเงินทองต้องบัตดกรมเป็นของโลกไม่ใช่ของกูของโลก บ้านหลังนี้ที่แปลงนี้เรามาสร้างขึ้นในโลกหาในโลกสร้างในโลกแ ล, กล้วก็ไปจากโลกแต่ตัวเปล่าสิ่งที่เราได้คือบุญกับบาสนีไ่ไหมดังนั้นทุกคนให้มั่นใจตัวเองว่าเรามีบุญมีบาตรไหมมองเพื่อนผูงอย่างที่เราทํากันเนี่ยไม่มีอะไรจริงจริงมันมีนะมีค่าทั้งดวงใจดวงใจของท่านอ่ะปณิสอาหารแต่และชิ้นที่นํามาเนี่ยล้วนแล้วแต่ออกมาจิตใจ จิตตัวเนี้ยที่นักปราชญ์บัณฑิตสอนว่าจิตตป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าท่านทุกคนนะพยายามตั้งใจกันไม่มีโอกาสดีๆทํางานแล้วก็มีร่วมในการทํากิจกรรมกับคนที่มีบุญเนี่ยโดนแลแ้วจะคนมีบุญทั้งนั้นเนะี่ยดูหน้าตาก็สวยสด ส, ดสวยกันงามกันทุกคนก็ถือว่าโชคดี บ, บุญบุญนะบุญนําพานะทะนั้นพวกเราโชคดีจริงๆได้อยู่ในดินแดนของพุทธศาสตร์ ดังนั้นเราศึกษาข้อมูลจริงๆแล้วเขาก็ไหลเวลานี้คนทั้งโลกก็หมุนมาหาประเทศไทยกันเยอะเลยนะโดยจะบอกให้โดยเฉพาะคนที่เขามีกระตังเขามาเยียบอยู่กับภัยสงครามเพราะสงครามมันไม่ไี้ปณีประใสนะจะบอกให้เขาจะหาเมืองที่จะไม่มีสงครามคือเมืองเดียวคือปลปอดโระเทศไทยไม่มีไยและไม่มีการทะเลาะวิวาสกับใคร มีแต่ความเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้าจุนให้อยู่ด้วกันอย่างสันติสุขใครจะมาอยู่ก็อยู่ได้ในแง่ไหาบนประเทศไทยประเทศไทยก็อยู่ประเทศไทยเยนี่ยนึกคนมาอยู่มันก็ตายไปนะทุกคนเข้าใจนะทีโอทีก็เหมือนกันพวกเราทํางานอยู่นี้เราก็ได้กินอยู่นี้อยู่นี่ก็เพราะเราทํานึกถึงประโยชน์นึกถึงคุณค่าของบริษัทหรือพื้นดินทุ่งนาแล้วว่าแผ่นดินเงินแผ่นดินทองอะไรเนี่ย เสือเงอลามไปทั่วทั่วป ร, ประเทศไทยกินเท่าไหร่ก็หมดฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้ก็มามาพูดกันอีกนะในเรื่องก็จะแล้วทานข้าวหลังจากทานข้าวเสรียก็ประมาณเที่ยงใช่ไหมทเที่ยงอ่านเดี๋ยวทีอาจะมาทะเที่ยงแล้วค่อยค่ยพูดกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็รับพรค่ะประทานข้าวทํางานกันก่อนเดี๋ยวพูดว่าเลาจะนั่งหลับกันหมดอ่าตั้งใจตรวจตามรับพรกัน ยะถาวะริวหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินางเปตานางอุปกะปติอิจิตตังปฏิตังตมหังคิปามวะจมิตตุสเพปุเรตุจังกปายันโดปนรโตยะถามณิโชติระโตยะถาตัศนีิโรบิวัติสุ นะบัลโกวินาตะโตมาเตปาวัตวันตรายุทุเกติกายุโกปวะมภิวทตนาสิเลตานิจงวุตตปัจจายนุญาตารตามวัจันติอายุวนโสุขัง บาลังอุตโตประโตติโรวันโตปติบาลนโตโตกัจจ ata เมตตาเวโตกังโตอาติกัะติอายตตวะบาังวันังโตกัจจปฏิบานโตเอกาโยยะตาวะอุติยตายะตปปะตติเตปะวะตตาปะมังกาลา วาสันตุตาปเทวตาฮาปาบุตานุปาเวนันตตาโตเทปวันโดเตวาวาโตตาปมังกาลังลักขันโตตาปเทวตา ตาปตามาณุภาเวนัสตาโตติปวันดุเตปาวาโตตาปมะกาลังลักันโตตาปเทวตาตาป k a ังกาโนภาเวนัสตาโตติปวันดุเต